เรื่องผีเฝ้าห่วงกระดูเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2490ขณะที่ผู้เล่าคือหลวงตาทองคำอยู่กับท่านพระอาจารย์มันที่วัดป่าบ้านหนองผือวันหนึ่งในฟองชิ น, นบุตรโยมผู้นี้มาวัดประจำเธอได้แบกหายกระเทียมชนิดปากบานมีฟ้าครอบขนาดใหญ่กับเท่าขวดโหล ข้างในบรรจุกระดูกนำมาถวายท่านพระอาจารย์โยมฟองเล่าว่าเจ้าของไหกเขาให้นำมาถวายเป็นไห้ใส่กระดูกคนดูเหมือนจะเป็นกระดูกเด็กแต่กระดูกนั้นนำไปฝังดินแล้วปากไหบินเพราะถูกผานไทยขูดเอาโยมฟองได้เล่าถึงเหตุที่ได้ไหนี้มาว่านายกูพิมพบุตรผู้เป็นเจ้าของนา ตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่เตื่นขึ้นมาเห็นยังมืดอยู่จึงนอนต่อพอเคลิมหลับไปก็ฝันเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าให้ไปเอาหายกระดูกสองใบไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นให้ด้วยในกูถามว่าหายอยู่ที่ไหนชายคนนั้นตอบว่าไถนาไปซักสามรอบก็จะเห็น ถามว่าชื่ออะไรตอบว่าชื่อตาเชียงจวงมาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้ห้าร้อยปีแล้ววันหนึ่งได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์มั่นเทศแววแววมาในเวลากลางคืนว่าเป็นหมามานั่งเฝ้าห่วงกระดูกแล้วก็กัดกันส่วนเนื้อล้ำอร่อยอร่อยมนุษย์เอาไปกินหมดแล้วหมัแต่มานั่งเฝ้าห่วงเฝ้าห่วงกระดูกตนเองกระดูกลูกเมียตายแล้วไปเป็นผีเปรต ต้องมานั่งเฝ้ากระดูกถึงห้าร้อยปีแล้วถึงได้สติระลึกได้ทั้งๆ ท, ที่อดๆ อ, อยากๆผ อ, อมโซก็ยังพอใจเฝ้าหวงเฝ้าห่วงกระดูกลูกเมียอยู่กว่าจะรู้ตัวก็เสียเวลาไปห้าร้อปีแล้วนี่แหละเพราะความรักความห่วงหาอาไลเป็นเหตุพาให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตเฝ้าสิ่งที่รักและอาไลจนลืมวันลืมเวลา